ตอจอกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องไร้งานคือไร้ชีวิตโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่3ธันวาคม2531ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาเราฝังได้ณนะบัดนี้ อาสมนึกดีท่านผู้ยังไไฟดีอยู่ทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> อาตมาเมื่อเด็ ก, กี้นี้ได้กล่าวนะได้พูดถึงสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ในสังคมคือเราสร้างมนุษย์หรือสร้างสังคมมนุษย์ตามที่เราเองเรามีความคิดความนึกของเรา คือเรามีหลักเกณฑ์ของพระสมมาสพัพพุทธเจ้าที่ท่านเห็นว่ามนุษย์ควรจะสํานึกอย่างนี้ควรจะได้พยายามปฏิบัติตนให้ตนเองมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจนเป็นชีวิตกายกรรมวจีกรรมโมกขกรรมทั้งหมดนั่นแหละคือชีวิตของมนุษย์ถ้าเผื่อว่ามนุษย์ ไม่มีกายกรรมไม่มีวจีกรรมและที่สุดไม่มีมโนกรรมแล้วละก็หมดชีวิตแล้วมนุษย์ไม่มีชีวิตแล้วคือตายไม่มีบทบาทอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตคืออะไรคําตอบคําตอบนึงคุณไปตอบได้เลยชีวิตคือบทบาทของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นคือชีวิต ทีนี้พระเจ้าสอนเราให้เราทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจริตนะสุจริตสให้เราทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นจริงๆให้เป็นสุจริตหรือเป็นกุศลให้ได้เพราะมันเป็นอกุศลเท่าใดมันเป็นทุจริตเท่าใดเปลี่ยนแปลงจริงๆเรียนรู้กุศลอกุศลเป็นอภิธรรมกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะเรียนรู้จริงๆ แล้วก็ปรับปรุงกายวาจาใจปรับปรุงให้เป็นกรรมเป็นกรรมที่ดีทางกายเป็นกรรมที่ดีทางวาจาเป็นกรรมที่ดีทางใจสรุปรวมก็เป็นชีวิตที่ดีเพราะชีวิตคือกายวาจาและใจชีวิตคือกรรมของกายและวาจาและใจเพราะเมื่อกายดีวาจาดีใจหรือมโนนั้นดีก็เป็นชีวิตที่ดี ดีคำคำเดียวนี่แหละสำคัญมากที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็จะต้องมาวิจัยกันอย่างสำคัญลึกซึ้งเพราะดีอย่างโลกโลกเข้าใจนั้นอย่างนึงดีอย่างพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจที่เรียกว่าปรมัตาร์คือดีอย่างเหนือชั้นจากปรมาจา์ไม่เหมือนโลกเรียกว่าโล ก, กุตระไม่อย่างชาวโลกทีเดียว นี่ดีอย่างนี้แหละต้องมาศึกษาพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้นี่เราท่านตรัสรู้สิ่งที่เป็นโล ก, กุตระสิ่งที่เหนือธรรมดาของมนุษย์ที่จะมองมองได้ง่า ย, ายแล้วฝืนทวนกระแสะมนุษย์ธรรมดานี่เขาว่าดีเมื่อได้ลาบได้ยศอย่างนี้เป็นต้นหรือได้เสบโลกียสุขสรุปลงไปที่โลกียสุขนั่นแหะเขาว่ามันดี แต่พระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวว่าโลกียสุนั้นจะไม่อาศัยสําหรับคนที่ยังจะต้องอาศัยโลกียสุขอยู่บ้างโลกียสุอะไรที่มันเลวร้ายที่มันผ่านพราดมันทําลายทั้งชีวิตโดยเฉพาะมันเป็นกิเลสหนักนะมันไม่ทําให้เจริญอย่างสําคัญเป็นระดับระดับไปได้วันนรกใหญ่คืออบายยมุกท่านก็ให้เรียนรู้เพราะงั้นอะไรจัดจ้านตั้งแต่ลาบคิกองค์ ไปโลภในลาภมากจนขี้โกงก็เป็นอบายยมุกโทสะจัดรุนแรงเกินขีดเกินเขตก็เป็นอบายยมุกมีราคะจัดจ้านสูงก็เป็นอบายยมุกนี่สี่ข้อหนึ่งสองสาที่อัตมาไลา่วาจา ก, กรรมของเราหยาบคายเกินไปส่อเสียด จ, จัดจ้านเกินไปเพ้อเจ้อหนักไปหรือโกหกแท้ๆก็เป็นอบายยมุกหรือเมา ไม่มีสติสัพพัญจะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาพอจะจะรู้ว่าตัวเองควรมีสติขนาดใดควรจะไม่เสพสิ่งขนาดใดสิ่งที่ยังไปเสพไปติดอยู่ในขนาดนั้นนเป็นอบายยมุกก็ต้องรู้ว่าโลกมันก็ปรุงอะไรออกมาให้เราเสพเราติดทั้งนั้นว่าอะไรที่มันอย่ามันตามอยู่เราก็เรียนรู้แล้วก็เลิกละออกมาให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับโสดาสกิทาอนาคาก็จะเลิกละสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิทธิรวมลงแล้วคือ โลกียสุขเนี่ยลดลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นโลกียสุขในด้านอบายมุขทางความรุนแรงทางความโลภความโกรธหรือราคะหรือแม้วาจาหรือแม้จิตที่หยาบที่ยังเสพติดสิ่งที่ยังไม่น่าจะเสพติดอยู่นี่เราเรียนรู้ได้จริงแล้วเราก็มาพิสูจน์ไม่ใช่ปากเปล่า ความละลดโลกหรือว่าเหนือโลกไม่เป็นไปตามโลกไม่อยู่ในสังสารวัตแบบโลกโลกเขาเป็นในหมุนเวียนวนเวียนอยู่ก็อย่างโลกโลกเขาเป็นเนี่ได้มาหลุดพ้นออกมาทาั้งๆ้งที่เราเราอยู่กับโลกเขานี่แหละแต่เราก็หลุดพ้นเราไม่ถูกดูดถูกซึมจิตปิญญาของเราสะอาดจิตปิญญาของเราี่อยู่เหนือเป็นโล ก, กุตตรจิตเป็นจิตที่ทนได้และไม่ต้องทน ทนได้เพราะมีปัญญารู้แล้วก็ไม่ต้องทนอยู่อย่างเนื้อมันอย่างสบายๆตอนที่จะยังไม่รอดก็ต่อสู้ก่อนพอต่อสู้ได้แล้วจนกระทั่งสามารถรู้จากวิธีรู้จากเหตุก็คือกิเลสฆ่ากิเลสได้หมดไม่ต้องทนมีแต่ญาณปัญญารู้นะสิ่งที่มันเป็นโลกีอยู่เนี่ยแล้วเาก็ลหลงไหลเป็นทาตเราหลุดพ้นแล้วเราหมดความเป็นทาตกกิเลสตายเราก็รู้ก็เห็น แต่เราไม่ไปหลงไหลไม่ไปต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพหรืออยากเป็นสุขรู้แล้วว่าเป็นสุขลวงเป็นสุขคัลลิกะอัตมาเรียกแรงๆว่าสุขตอนแหล่เลยซ้ำอัลลิกะแปลว่าความหลอกลวงอัตมาแปลอีกว่าความตอนแหล่มันเป็นสุขหลอกลวงซึ่งเราพิสูจน์ได้ว่ามันลวงถ้าเราฆ่ากิเลสตายแล้วก็หมดอัดถธาหมดรสอร่อยของอย่างนั้นมาแล้วจริงนี่ที่จริงของคุณเป็นจริงนะมันไม่อร่อยจริงๆเลยคุณ มันเฉยๆเราก็รู้ว่ามันไม่ไม่อร่อยแล้วเราก็เข้าใจบางทีเราจําได้เสด้วยสัญญาจํำของเรายังจําได้ว่าเราเคยเคยหลงเคยอร่อยเนี่ยเข้าใจว่ามันอร่อยยังไงเข้าใจแต่ตอนนี้มันไม่มีอาการรสนั้นแหะมันไม่มีไม่มีจริงๆนะไม่มีไม่มีรสอย่างนั้นเลยนะคนสูบุรีมาแล้วก็มาเดี๋ยวนี้มาเห็นเขาจําได้แต่ก่อนนี้เคยหลงแบบนั้นมามันอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยจริงๆ สูบจริงๆก็ไปมันก็ไม่อร่อยนะแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะหรือแม้ว่าเราไปอร่อยน้ําตาลนี่บอกว่าหวานแล้วก็อร่อยแล้วเกินโอ้ชื่นมื่นมากมายถ้าได้แล้วยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งเสพยิ่งอร่อยแล้วก็เพราะว่าเวลาเราไม่มีรสของอัศราธะแล้วเราจะรู้ว่าน้ําตาลหวานจะรู้ว่ามันกินง่ายกว่าพริกกินง่ายกว่าของ ข, องขมก็จริงอยู่แต่ว่ามันม่เก็ดูดดึงเนี่ยอันนี้มันละเอียด มันหวานมันกินง่ายนะบางทีมันก็ดูรู้สึกจําได้วนะ่ารสอร่อ ย, อยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้รายละเอียดที่ว่าเราติดใจมันไหมล้วดูดดึงมันไหมถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอัศว์ตาจริงๆนะเราจะไม่มีการดูดดึงเราไม่มีการติดเราไม่มีสภาพเหล่านั้นรู้ ม, มันหวานมันกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าเผ็ดกินง่ายกว่าขมดังกล่าวแล้วแต่ว่าเราไม่ติดใจอ่ะ ก็รู้ว่าเป็นธาตุของมันรสมันก็ลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นนะน้ำตาลอย่างนี้จะพิจารณายากขึ้นสิ่งที่ ง, ง่ายๆตื่นตื่น น, นั้นโอ้เยอะแย ะ, ยะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็พอเลิอกอัดสาท่าไม่มีรสอร่อยเราจะเห็นจริงแล้วไม่อร่อยทาลิปสติกเด็กตะกอนอร่อยแม่เดีทาแล้วอร่อยเสร็จแล้วไปอวดเขา อ, อร่อยต่อเขาชมอีกอร่อยต่ออีกอชื้นมืดอีกนะอร่อยต่อเขาชมอีก พอเราไม่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่มีอัศ ส, ส า, าแล้วเสร็จเนี่ยจะไปทาเข้าไปมันก็ไม่อร่อยทาก็รู้ว่าเอาสีแดงเปิดเข้าไปตรงนี้อาจจะเฉยเฉยบางคนอาจจะยังรังเกียดด้วยซ้ำแต่รังเกียดมันก็ยังไม่เป็นความสงบนะรังเกียดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างหนึง่งเพราะเรา จ, จาเป็นจะต้องทาก็ทาไปทาเฉยเฉยจาเป็นจะต้องทาก็ทาทาแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ตบเปืองแรงงานเปลืองวัสดุ ทาแล้วก็เยอะๆอยู่ที่ปากนี่แหละพอเวลาเขาเห็นมันก็เม็นหน้าอายเราไม่เขินไม่ไอายด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ชื่นใจว่าโอ้ยนี่เขาจะชมก็เฉยๆนี่ไม่มีอัศรพะทั้งนั้นแต่ทาก็ได้ถ้าจําเป็นจริงๆจะต้องทาแต่ถ้าไม่จาเป็นคุณจะไปทามันทําไมนะทามันทําไมใช่ไหมมันเป็นธาตุเคมีที่เป็นผสมเสมอยู่ในนั้นซะด้วยซ้ำไปเลอะๆ เ, เ, เธออะไรแต่ใดเข้าไป แล้วไปทามันทําไมหรือเอาอะไรมาทาหน้าเนี่ยอันออพอกสามชั้นเ็ชั้นอะไรของเขาเนี่ยเอาไปทามันทําไมอ่ะบางทีเขาเอารกเด็กที่เขาทําแท่งกันไปผสมประเสส่วนนั้นมาทำไอ้พวกทาหน้าเนี่ยเคยได้ยินไหมเล่าเขาเอามาผสมประเสริฐเนี่ยมาทำเขาบอกว่ามันมีมันมีฮอร์โมนอ่ะเขาก็เลยเอามาใส่ใหญ่เลยแหมไปฮโมนที่ไหนได้เอามาอุดรูขนรูอะไรเนี่ยหน้าตาให้มันแหมรูขนมันก็ไม่มีละมาอุดกันเข้าไป ทำไมเราจึงต้องทาธรรมดาในคนเราไม่ต้องทามันก็มีมันมีอะไรอยู่ตามสมควรไปทาเนี่ยมันผสมสีผสมสันผสมนั้นผสมนี้อัรมาไวิเคราะห์รายละเอียดนะเดี๋ยวไม่มีเวลาแนละ้วเพราะใ้สิง่งเหล่านี้นี่เราเรียนรู้เข้าไปจริงๆแล้วเราจะเรียนรู้อัตมาพูดเมื่อกี้นี่เป็นอ ง, งค์ประกอบของวัตถุซึ่งสื่อเข้าไปให้คุณอ่านเข้าไปถึงอารมณ์ของจิตวิญญาณเพราะคุณปฏิบัติแล้วนี่อัตมาอธิบายพว้คุณได้เช็คได้ทดสอบได้เรียนรู้ความจริงว่าเออจริงๆเลยนะ เราเองเนี่ยเรายังสัมผัสผ่านสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยในชีวิตของคุณยิ่งอยู่บ้านอยู่เรือเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่รู้ใครจะแอบทาในห้องน้ําหรือเปล่าไม่รู้เนะีอยู่ในวัดเนี่ยมันถือศีลแปดแล้วยังไม่แอบทาในวัดอยู่ก็จะมา ก, ก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าอยู่บ้านคุณไม่มีใครรู้คุณเราคุณจะไปแอบทาหรือไม่แอบทาคุณก็ทากันได้แล้วคุณจะรู้สึกไหมอาการอัดสาทาในะคุณต้องเช็คนะต้องตรวจสอบรสทิยมของโลก รสอร่อยของโลกีที่เขาหลอกเราไว้นานแล้วไปสุคัลิกะเนี่ยเรามีเหลือไหมอาตมายกตัวอย่างในแแค่ทาหนา้าทาตาลิบสติหรือว่าบุรีเล่าอะไรนี่ก็เป็นของง่ายอื่นๆเหมือนกันอะเสื้อผ้านาแพรของใช้อ่าจะเป็นเพชรนินจินดาวแก้วแหวนเงินทองลาบหรือยศอะไรเหมือนกันมันมีอาสาทะไหมมันมีรสอร่อยไหมอ่านยากนะรสอร่อยหลายอย่างอย่างอาตมายกตัวอย่ า, ง, ายงเมื่อกี้เนี่ย วับบุรีนี่มันเหม็นเพราะสูบเข้ามันขมมันเหม็นอันนี้ตรวจง่ายว่ารถอร่อยมันค่อยมีนะหรือกินพริกเนี่ยกินพริกยังมีรสอร่อยในคนติดทุกวันนี้อาตมากินพริกไม่อร่อยแล้วนะแสบยิ่งเผ็ดมากมาแล้วโอ้โหร้อนหูร้อนหัวแต่ก่อนนี้อาตมาละแล้วกินเก่งเพราะว่าเป็นคนอีสานกินมาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มี อ, อุปทานอุปทานมันพาให้เรานี่โอ้โหทําอะไรได้ รุนแรงนะอย่างคนจีนอุปทานสดน้าร้อนเงี้ยโอ้โหพอสดได้เนี่บางทีอบร้อยร้องศาพอสดได้เลยร้อองศาสูสก็ไปในปากพองเลย อ, ะอ่ะมันร้อนร้อองศาหรือร้อองศานี่คุณสดก็ทิปากพองแต่คนจีนนี่ก็สามารถทนได้แล้วมันมีพลังจิตที่เขามาสู้เหมือนกับคนเขาเอาอะไรแทงเนี่ยแทงแล้วก็เลือดไม่ไหลเจ็บเขาก็ทนได้ไม่เจ็บรู้สึกเฉยเฉยชาชาจิตทั้งนั้น อาตมาเคยเล่นสะกดจิตมาแล้วอาตมารู้อำนาจของจิตดีจิตมันทนได้มันไม่เจ็บจริงๆเลือดไม่ออกจริงๆทันเดียวกันกินน้าร้อน80องศาร้อองศามันไม่พองจริงๆแล้วมันก็ไม่ร้อนจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันก็อาจจะอุ่นๆนึกพอดีพอดีเขาไม่ใช่วิธีเขากินอาตมาไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยแล้วเคยปากพองมาแล้วไม่ต้องร้อองศาเราอาตมาเคยพอทาไมถึงร้อยองศารอกที่เขาเทวุลเขาเองเขาบอกว่าโทษนี่เอาที่นี่เย็นๆนะน้อยเย็นที่ไหนเลยพองเลยของเขาแล้กว่านี้ร้อนกว่านี้ของเขาไม่พอง นี่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจิตนี่สําคัญมากจิตนี่มันทําให้คนเป็นอะไรต่ออะไรได้อัตมาเรียนทางด้านจิตมาทางพวกนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนมาจิตมันมีพลังครับสามารถให้เป็นอะไรอะไรได้มันกดดําหนดนั้นได้กําหนดอันนี้ได้กดดําหนดเพราะฉะนั้นอัตมาไม่งงหรอกไอ้เรื่องว่าจะหนังเหนียวอยู่ดีๆก็พองขึ้นอยู่ดีๆก็มีเลือดออกอยู่ดีๆก็เลือดไม่ออกใจยังงอนอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องเป็นไปได้นะพลังจิตมันมีมากนะ <valeur> ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอุปทานหรือมีอุปทานก็เอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สิไอ้นี่ไม่ได้ประโยชน์ก็ไปใช้ไม่เข้าเรื่องแต่ไม่ก็ไม่ต้องไปใช้อุปทานอะไรหรอกใช้ความจริงของจริงเนี่ยมันเผ็ดเท่านี้ก็รู้ของมันมันร้อนเท่านี้ก็รู้ของมันมันขมเท่านี้ก็รู้ของมันอ่านให้ออกแล้วว่าขมเท่านี้นี่คนนี้เขากินนี่ขมเท่านี้คนนี้เขากินเผ็ดเท่านี้คนนี้เขากินหวานเท่านี้เรามีอัดสาธาอาการมีธรทำวิจัยอาการของรสอร่อยรสอัดสาถานั้นมีไหม มันเป็นอาการของกิเลสมันเป็นอาการของกิเลสแท้ๆเมื่อระดับกิเลสหมดแล้วมันก็จะมีแต่ธรรมชาติของจริงขมก็คือขมหวานก็คือหวานเปรี้ยกคือเปรี้ยวร้ อ, รอนคือร้อนเย็นคือเย็นแดงคือแดงเขียวคือเขีย ว, วมันไม่ได้มีสวยไม่สวยหรอกนะแดงก็แดงเขียวก็เขียวเหลืองก็เหลืองมันไม่ได้มีสวยไม่สวยไม่มีนะจะเว้าจะโนนจะโค้งจะเหลี่ยมจะเป็นดอกเป็นดวงเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เรามาเทียบกันเองว่าอย่างนี้สวยกว่าอันนี้อย่างนี้งามกว่าอันนี้สมมุติกันไปสมมติกันมาบางทีเขียนมันยุง่งจุ่งไปหมดเลยภาพยุงย่งจุ่งเยงบอกว่าสวยเลยซื้อกันเป็นราคาเป็นล้านไอ้คนนั่งเขียนไปเทิร์ดงอหกเยี่ยวให้เดียบให้ร้อยให้โอ้โหบางทีบอกเออไอน้นี่ไม่มีศิลปะไม่ซื้อเนะ่ไปโน่นเลยบ่บ่ บ, บ, บนะ่ดินปั้นนาไราเนี่ยโอ้โหจะทะเลาะกันระดับประเทศทับหลัง เดี๋ยวนี้ปั้นได้สวยกว่านั้นนะจะบอกหงแต่จะเอาอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีอยู่อันเดียวใช่มันมีอันเดียวมันไม่มีสองอันหรอกอันเดียวจะเอาอันเนี้ยแย่งกันไปแย่งกันมานี่ก็เป็นเรื่องของความติดยึดองค์ประกอบของโลกียะถ้าเป็นอาตมานะมันเป็นแย่งออกมาแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าขบฏซะอีกนะไม่รักชาติซะอีกไม่ใช่นะไปหาไปทะเลาะกันทําไหมอยางได้ก็เอาไปเหอะ อก็บอกว่าเอาไปจากประเทศไทยซะ ก, ก็แล้วกันว่าเอาไปสิก็ไม่หว่าอะไรของจากประเทศไทยก็เท่านั้นเองไม่ต้องได้มาก็เป็นไรมีทําเอาใหม่สิ น, นี่มันไม่เป็นความจริงอ่ะมันหลอกกันไอ้คนจะจนจะตายมันก็ยังไม่มีจะกินเลยไอ้คนเอาเวลามาปั่นมาอะไรอะไรขี่ขี่เข็นเขียนทําอะไรอะไรที่มันประดิษฐ์ประดอยประดาซึ่งมันเกินเลยไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะทำไปสิแหมโฟรรมลํารวยเนี่ยอาจมาดูรายการโทรทัศน์เนี่ย Mike, เอาผลไม้มาแกะแกะเป็นลูปนกรูกหนูแกะไปแล้วก็เฉือนทิ้งเชือนทิ้งเฉือนทิ้งเฉือนทิ้งเวลาเหลือนกเหลือนิดเดียวไอ้ดวงนขวานลงขยะไปอเสร็จแล้วก็ไปกินดองขิงดองอะไรแล้วเสียกเอามากินไอ้ที่เศษไอ้ที่สลัดออกทิ้งนี่มากกว่าไอ้ที่นี่นะแล้วก็เสียเวลาไปเท่าก่อนจะทําได้กินนะไอ้คนที่มันไม่มีจะกินนะนะมันก็ไม่มีไอ้คนมีก็ทําเล่นไป ไอ้คนทํานี่ทําไงเอาไปขายไอ้คนซื้อก็ซื้อไปกินเอาเถอะมันก็เป็นเศรษฐกิจวิทยาวิทวิชีวิธีการหมุนเงินออกจากกระเป๋าคนรวยชนิดหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่ามาคิดทุน่ทนแล้วว่ามันมันเสียเวลาไปทําไมของทิ้งก็ทิ้งแรงงานพวกนี้เอาไปปลูกไปสร้างสิ่งที่จําเป็นเหล่านั้นขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ไม่พอจะกินกันได้ไหมได้ แต่ไม่ทำเอาละอาตมาจะพูดถึงเรื่องลักษณะของเศรษฐกิจพวกนี้นี่นะลักษณะของการที่จะยังสังคมเข้าไปให้มันครบถ้วนให้มันสมดุลให้มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังมีอีกบ้างอาตมาพูดโดยภาษาลูกทุ่งอาตมาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดประตหลักภาษาวิชาการเขาแต่อาตม า, าอาตมาเข้าใจรายละเอียดพวกนี้อีกเยกอยะแยะนะหลายๆอย่างเลยนะอาตมาพูดไม่ไม่ไหวแต่อาตมายังไม่มีเวลาพอแต่ค่อยๆพูดไปถึงเวลาก็ยำไปหน่อยถึงเวลาก็ยำไปหน่อยนะเขาไปเก็บเรียบเรียงกันเอาก็แล้วกันน นี้พวกเรานี่ได้มาเรียนรู้โดยที่เราเห็นทิศทางอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาไปว่าคนประเส ร, ริฐหรือคนเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะบําเพ็ญตนด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างนี้เรียกว่ากุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อมอกุศลหรือบาปภัยต่างๆหยุดให้เสด็จทุจริตอกุศลต้องหยุดให้เสด็จและจะต้องเป็นคนมีชีวิตคือมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างนี้เรียกว่าพระอรหรันเรียกว่าพระอริยเจ้าสูงสุดเรียกว่าอรหรัน จงทำให้ได้จงทำให้เป็นทำเป็นแล้วเป็นสุขทั้งตนและสังคมทำได้และเป็นสุขทั้งตนและสังคมเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของส่วนตัวเมื่อเช้านี้อาตมาฟังพูดถึงเรื่องการงานกันอาตมาก็ได้คิดว่าแม้อาตมายังบอกพร่องที่อธิบายการงานให้พวกเราฟังไม่ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยคิดว่าจะเท้เรื่องการงานนี้เป็นหลักเป็นฐานคือเรื่องกรรมนั่นเองกรรมแปลว่าการงาน จะต้องอธิบายยังเห็นเลยว่าพวกเรายังแหวงแหวงอยู่เลยเข้าใจเป็นคนละพวกคนละพักเข้าใจเป็นคนละอย่างแมมสาธยายกันว่าการงานส่วนตนการงานส่วนท่านอะไรไหมแยกแยกกันใหญ่อาตมาฟังแล้วก็เออในต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างเห็นมันเป็นความบกพร่องขระธรรมาที่อธิบายไม่สมบูรณ์เห็นข้อบอกพร่องที่ตนเองกําลังอธิบายกําลังสอนอยู่กำลังแนะนําอยู่ยังไม่พอนะ เพราะว่าการงานนี่ถ้าเข้าใจอย่างที่เป็นเนี่ยมันถึงได้เป็นอยู่อย่างที่เป็นมันยังไม่เจริญพวกเรายังไม่เจริญเพราะอัตมาบกพร่องอธิบายเรื่องกรรมหรือการงานยังไม่สมบูรณ์การงานเพื่อตนการงานเพื่อท่านจริงๆแล้วการงานเพื่อตนการงานเพื่อท่านนี่นะมันเป็นการงานที่สมบูรณ์ที่สุดคือจะต้องเกิดการงานเพื่อท่านนั่นเป็นตัวดีที่สุดนะตัวดีที่สุดการงานเพื่อท่าน ในขณะที่ทําการงานเพื่อท่านนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตนไม่เกิดส่วนที่ได้ประโยชน์ตนคนที่สามารถสร้างอะไรให้กับคนอื่นได้เนี่ยคนนั้นมีบุญละสร้างให้คนอื่นได้เนี่เป็นบุญเป็นความประเสริฐสุดยอดอย่างพระอาหารหันต์เจ้านี่ท่านไม่ได้บาเบลอตนหมดกิจตนนี่สมมติว่าไม่ไม่ใช่สมมติเราเรื่องจริงพร ะ, พระอาหารหันต์เจ้าหมดกิจตนนี่หมายเขาว่าประโยชน์ตนหมดแล้วนะ แต่ก็ยังมีประโยชน์ตนชั้นชั้นซ้อนอยู่อีกว่าถ้าพระอาหารหันต์เจ้าจะทํางานเนี่ยจะเกิดความชํานาญนี่เป็นประโยชน์ตนเหมือนกันนะคนเกิดความชํานาญนี่คุณเบาขึ้นไหมประโยชน์ตนเบาขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมและทํางานได้ดีขึ้นคนตำแหน่ติดเตียง น, น้อยลงเพราะชํานาญถ้าทําให้ชํานาญทํางานก็ไม่ดีคนติดเตียนก็มากยากก็ยากหนักก็หนักนี่เรียกว่าประโยชน์ตนยังไม่มีแต่ถ้าคนทําประโยชน์ สร้างสรรอยู่ได้ด้วยการงานนี่นะการงานเนี่ยมันเป็นการงานอาตมาฟังแล้วมือชานี้มีแวบขึ้นมาได้ว่าการงานมันควรจะแบ่งออกอย่างน้อยมันจะมีอยู่3ามอย่างใหญ่ๆ ห, หนึ่งการงานสร้างอะไรขึ้นมาโดยตรงเป็นการงานนอกนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทุกคน 2. การงานที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่ในได้ว่ากิจกรรมหรือกิจวัตรอย่างทำวัด ลงรวมชั้นลงทาการงานที่เป็นจารีประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันอีกการหนึ่งสามการงานที่ปฏิบัติธรรมของตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมของตนเป็นแล้วเนี่ยจะทําการงานที่เป็นของจารีประเพณีของสังคมหรือกิจวัตรแล้วก็จะทําการงานสร้างอะไรให้แก่คนอื่นส่วนรวมได้อย่างดีที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสัจธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมหรือทําการงานนี่จะต้องทําการงานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พูดให้แก่ตนก็คือสร้างงานให้กับผู้อื่นนั่นแหละหรือทําจารีประเพณีวัฒนธรรมนั่นแหละแต่ปฏิบัติตนเนี่ยทำการงานโดยที่จะต้องเรียนรู้ไปในขณะทําการงานว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นไหมถ้าทําการงานแล้วปฏิบัติธรรมไม่เป็นนั้นไม่มีประโยชน์ตน คนที่มันั่งเฉยเอาแต่อยู่ไม่ทําการงานส่วนรวมหรือทําการงานส่วนรวมน้อยแล้วบอกเขาจะปฏิบัติตนนั้นพวกนี้คือพวกที่ยังเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กที่ไม่มีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านยิ่งนั่งอยู่เฉยเฉยมากๆนั่งหละผหูหลับตาแล้วบอกว่าทําปฏิบัติทําให้ส่วนตนนั้นดูสีนั้นยังน่งไม่เข้าทางของพุทธเลยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ที่หนีโลกพวกโล ก, กันพวกหานรกให้ตัว น, นี่เป็นเป็นเรื่องนึกเสื้อตมาพยาอธิบายตั้งมากตมามันก็ยังไม่เก่งนะพรากเราก็ยังเข้าใจผิดอยู่นั่นเองว่าเราจะทําการงานนี่เราจะเอาประโยชน์ตนก่อนที่จริงประโยชน์ตนไม่ได้นะเสียประโยชน์ตนคือไม่ทํางานแล้วก็ไม่ลงไม่โรงทําวัดไม่โรงจารีไม่โรงประเพณีอะไรของหมู่เขาทำเนี่ยถ้าเราไปลงเสียเราบอกว่าเราจะแม้มันทุกข์มันจะเกิดไม่ประโยชน์ตนไม่ใช่เลยเราแบ่งสิเราแบ่งเราทําได้แค่ใด เราจะตั้งศีลแค่ใดเราจะตั้งกรรมฐานแค่ใดแล้วทําอย่างนั้นเราจะลงทําวัดนี่มันนั่งเฉยๆมากกว่าด้วยซ้ําไปทําวัดนี่แต่แค่นั่งเฉยๆทําวัดนี่ก็ยังลงไม่ได้แล้วแล้วมันจะไปทําการงานอะไรประโยชน์ตนได้มากกว่านั้นทําวัดนี่คือปฏิบัติทำด้วยฟังทำฟังให้ได้เออฟังได้แค่นี้ก็ดีละ่ะฟังไม่ได้แค่นี้มันหลับไปมากหน่อยก็เออจะแสดงว่าเราได้แค่นี้อ่า เราทำแล้วได้เท่านี้เราเกิดความเข้าใจเท่านี้เออก็ว่ากันไปนี่เป็นต้นและเราก็ได้ทําการงานเพื่อหมู่กลุ่มด้วยคือรักษาจารีตประเพณีกิจวัตรของส่วนรวมของหมู่เราไว้ยิ่งไปทํางานสร้างสรรค์ น, นี่นะแน่นอนเลยผลอันนี้ดูง่ายเพราะสร้างแล้วผลมันก็เป็นประโยชน์ท่านไปตั้งตั้งมากตั้งไม่พร้อมกันนั้นเราปฏิบัติทำในขณะที่ทํางานนั้นเป็นไหมถ้าทําเป็น ก็คือเราได้ฝึกไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยฝึกด้วยไปด้วยทำไมอ่ะละเราทําได้แค่น the ี้เราเอาแค่นี Stop ้นะเนี่ยเราทํางานไปแล้วมันติดไปกับงานเลยนี่เรารู้ตัวน้อยไปนัเนี่ยเรารู้ตัวน้อยไปเราก็ค่อยๆฝึกไปฝึกไปก็รู้กรรมฐานของตนว่าเออได้เท่านี้เราก็ได้ประโยชน์ตนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฝึกไปอีกก็ดัประโยชน์ตนมากขึ้นอีกประโยชน์ทำก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆหรือประโยชน์ตนที่ตัวจะชํานาญในงานประโยชน์ตนมี2อย่างเวลาทํางานหนึ่งประโยชน์ตนคือเกิดความชํานาญเกิดความเป็นงาน ความเป็นงานในประโยชน์ตนนะถ้าคุณเองอเกิดเป็นคนคุณไม่เป็นงานคุณตักข้าวใส่ปากคืองานนะก็ไม่เป็นคุณปลูกข้าวก็ไม่เป็นคุณก็ตายที่ไม่มีประโยชน์ตนแม้แต่แค่ปลูกอย่าว่าจะปลูกเลยตักข้าวใส่ปากก็ไม่เป็นนี่งานนะแล้วคุณจะได้อะไรล่ะเกิดมาเป็นคนรานต้องมีประโยชน์ตน อ่างน้อยตักข้าวใส่ปากเป็นอย่างน้อยปลูกข้าวเป็นหรือหุงข้าวเป็นหรือทำกับข้าวเป็นหรือทอผ้าเป็นหรือการงานอื่นๆใดๆที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเพื่อจะเป็นแลกเอาตัวกลางเอาเงินมาเพื่อที่จะเอาเราไม่ปลูกข้าวเราทําบบนี้แล้วก็เอาเงินส่วนกลางนี่มันแลกเอาเงินค่าอันนี้ไปแลกเอาข้าวไปแลกอะไรนี่เอาไม่ต้องอธิบายมากไอ้เรื่องการแลกกันไปแลกกันมาก็คือเราต้องเป็นงาน คนอยู่เฉยๆไม่เป็นงานนั่นคือไร้ประโยชน์ตนคนอยู่เฉยๆไม่เป็นงานหรือเลี่ยงไม่ทำงานไม่ฝึกงานใดๆคือไร้ประโยชน์ตนบอกแล้นะประโยชน์ตนที่เป็นงานนั่นหนึ่งประโยชน์ตนอีกอันหนึ่งคือปฏิบัติทราให้เป็นในงานในจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทราประโยชน์ตนนั้นจะอยู่ในการงานและจารีตประเพณีทั้งหมด ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าประโยชน์ตนคือไม่ทำงานทำงานนี่เราทำไม่ได้เราทำแล้วประยปฏิบัติประโยชน์ตนไม่ได้นั่นคือคนเข้าใจผิดแล้วรุสีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ทำให้าศาสนาพุทธเลวไหลอ ย, อยู่ทุกวันนี้าศาสนาพุทธเพี้ยนออกไปอยู่ทุกวันนี้และ ก, กลายเป็นพวกเหมือนกับอินเดียถึงได้เป็นอย่างนั้นะอย่างอินเดียเข้าไปอยู่บนเขาหิมาพาน อเปล่าเขาออกทำไปนอนในกองหนามไปอะไรตร่อไรยืนกระย่งขาเดียวเท่าไ ร, ต, ร, า ต, ราต่อแล้วแต่นั่นน่ะเต็มไม่หมดอยู่ในอินเดียนั่นน่ะจะมีประชาชนมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งแย่ลงไปทุกทีอ่ะคือไม่ฉลาดไม่เข้าใจความจริงมันหลงอยู่ว่าไอ้นี่คือความหยุดความหนีโลกคือมันบึ้นตื้ น, น, นก็หนีโลกอะ่ะแล้วก็หนีไม่ไม่เอาอะไรกับโลกคือไปหลงว่าถ้าเราทํางานมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องได้ลาบ แล้วเราก็จะโลภลาบมันไปเข้าใจตื้นๆอย่างนั้นน่ะถ้าเราทํางานน่ยอย่างน้อยน่ยมันจะได้ได้ลาบได้สิ่งที่เราสร้างแล้วเราก็จะหลงลาบอ้าวกิเลสของมันน่ะมันจะหลงลาบด้ยไม่หลงลาบนะคือจริงมีลาบมาล่อเราซิเราถึงจะรู้ว่าเราจะหลงลาบหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ประเภทเราไม่ทําแล้วก็ไม่มีลาบคุณจะไปหลงลาบได้ยังไงอ่ะคุณไม่เอาของของของคนอื่นเท่านั้นเองแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาของคนอื่นด้วยเพราะคุณไม่สร้างนี่คุณจะไปเอาของเขาได้แล้วมันก็เป็นการ นี่เราไม่โกงด้วยซ้ําไปนะเราสร้างของเราด้วยซ้ําไปแล้วเราจะหวงไว้ไหมให้เขาได้ไหมนี่ตั้งหามันถึงจะพิสูจน์ความโลภไอ้ไม่เอาของเขานะ่ยมันก็เป็นโลภง่ายๆตื้นๆนะ่ะเพราะว่าไปเอาของเขามันก็ขโมยเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมไอ้แบบนี้มันทุจริตเริ่มต้นก็นทุจริตเลยคือจะเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราเออไม่ใช่นี่นี่ของเรานะฟังดีๆมันลึกซึ้งนะ นี่ของเราสร้างเปนสิทธิของเราแต่เราไม่ให้เขานี่แหละคือโลภคือโลภคือห่วงแหนศาสนาสอนให้เสียสละให้ทานเป็นเป้าหมายหลักให้เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างไม่ใช่ให้งอมืองอเท้าไม่ให้อยู่เปล่าเปล่าไม่ให้มีการงานไม่ใช่มีการงานแล้วสร้างสร้างแล้วก็จะให้เขาได้ไหมนี่คือไม่โลภถ้าโลภอยู่ก็ให้เขาไม่ได้ หรือจะให้เขาก็จะหาวิธีเอาแลกมาเท่าทุนหรือเอามาให้เอาเปรียบซะอีกให้มากกว่าทุนซะอีกนี่คือความโลภถ้าคุณเองคุณไม่ให้เขามันก็ยังไม่ทุจริตนะไม่เหมือนกับ ว, ว่าคุณไม่ทําแต่คุณจะไปเอาของเขามานั้ยมันทุจริตแล้วเริ่มต้นก็ทุจริตแล้วนีมันมันแบบนั้นมันจะไปทําทําไมล่ะเข้าใจไหมคนสองลักษณะนี้มันต่างกันคนลักษณะที่ไม่สร้าง แล้วก็บอกว่าตัวเองจะไม่เอาไม่ไม่ต้องการโลภเพราะเราไม่เอาของเขาไอย่างงี้มันตื้นแล้วตัวเองไม่เอาของเขาแล้วตัวเองมีของคุณไหมล่ะไม่มีไม่มีเราเอาอะไรอ่ะอ่าคุณก็ต้องเบียดเบียนคนที่เขาอยู่นั่นแหละเบียดเบียนโลกอยู่นั่นแหละมาเริ่มต้นมันเบียดเบียนแล้วมันไม่ทํางานนี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์มันเบียดเบียนแล้วเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ดําบิออกจากกามดําริพยาบาทดําริอย่าเบียดเบียนเพราะงั้นแม้แค่ดําริเบียดเบียนนี่มันลึกซึ้งเห็นไหม เริ่ต้นเบียดเบียนแล้วเพราะอย่าเบียดเบียนทุกคนต้องมีการงานเป็นการงานนะคุณจะยังไม่ทํางานยังไม่แคล้วคร่องกว่าทำการงานเท่าที่คุณทําได้เหมือนเด็กอา่าทำเล็กๆน้อยไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติทำไปเพราะทําการงานมากไม่ได้แต่ต้องทํางานอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะต้องไม่ทํางานนี่แหละเราปฏิบัติทำคนที่ปฏิบัติงานได้มากแต่ปฏิบัติทำได้ประกอบกับการงานได้น้อยอยู่ก็ยังเป็นประโยชน์ตนสอง สองต่อหนึ่งปฏิบัติทําได้น้อยก็เป็นประโยชน์ตนอยู่น่อยหน่อยหนึ่งละทำการงานได้มากโอ้โหก็เป็นประโยชน์ตนตั้งเยอะทำการงานได้มากนี่เป็นประโยชน์ตนนะด้ทำการงานสร้างผลผลิตได้มากๆเป็นประโยชน์ตนนะหรือคุณว่าไม่ใช่คุณเอาไว้ก็เป็นของตนแต่ของตนประเภทที่ไม่ละความโลภแต่ถ้าคุณสร้างผลประโยชน์ได้มากๆคุณสละให้เขาเป็นประโยชน์ตนที่เป็นประมาทเสียสละ เห็นไหมประโยชน์ต้นที่คุณมีมากสร้างขึ้นได้มากก็เป็นประโยชน์ต้นคุณก็มีหอบพามคุณเยอะแยะนั่นแหละแต่มันยังไม่เป็นปรมัติตเป็นประโยชน์ต้นที่ถ้าสละให้เขาอีกเป็นประโยชน์ตนที่ได้เสียสละกินเลียอีกจริงๆไม่หวงไม่แหนเห็นไหมว่ามีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนกี่ชั้นเนี่ยปฏิบัติทําก็คืออ่านปรมาจิตให้ออกในขณะสร้างสรรค์ทํางานการอะไรแต่ใดนิยอ่านกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องหรือว่าเอ้ยของอันนี้มันไม่ สะดวกใจเลยว่านี่โมโหโมเหรออะไรขึ้นมาเป็นโกรธเป็นโกธาอะไรก็รู้ไปทาไปแล้วก็ไปติดยึดเข้าของอะไรอีกก็ดูไปนั่นคือประโยชน์ตนในการอ่านจิตอ่านใจอยู่นั้นด้วยแล้วประกอบกับผลผลิตประกอบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนที่ได้ได้เป็นประโยชน์ตนโดยทาแล้วว่าเราสร้างนี่เป็นสิทธิของเราเสร็จแล้วเราจะได้ประโยชน์ประมัดอีกทีนึงว่าเราจะกล้าให้ไหมเราจะเสียสละออกไปได้ไหทานได้ไหม ล้างความโลภของตนได้ไหมนี่ก็เป็นประโยชน์ตนอีกเห็นประโยชน์ตนในการงานนี่มีถึงสามชั้นเพราะันคนที่บอกว่าประโยชน์ตนไม่ทำการงานนี่มันแหมผิดไปถนัดใจเลยหรือแม้แต่จะทำจารีตประเพณีวัฒนธรรมจะต้องลงโบสจะต้อง สวดมนต์ไหว้พระจะต้องมาลงฉันร่วมกันจะต้องมาบีจิตร่วมกันหรือแม้แต่กิดร่วมประชุมกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นประโยชน์ที่รังสรรค์ให้เกิดยึดถังให้เกิดจารีประเพณีให้เกิดวัฒนธรรมให้เกิดสิ่งที่สังคมต้องอาศัยจารีประเพณีวัฒนธรรมนี่เป็นของสังคมต้องอาศัยมนุษย์ต้องอาศัยเพราะเราอยู่ในสังคมนี้เราจะสร้างจารีนี้ช่วยกันสร้างถ้าอาตมาบอกว่าอานาช่วยกันลงฉันสัลา ก, กันหน่อยนะ ทุกคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ประโยชน์ตนไม่เอาอะ <_ han> อัตมาจะสร้างจารีตให้ลงศาลาฉันกันนี้ได้ไหม <_ han> วันนี้ก็อัตมามานั่งอยู่คนเดียวท่านทั้งหลายก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ตนไม่ลงอะ <_ han> จารีตนี้ก็ไม่เกิดหรืออัตมาว่ามีพระอยู่ร้อยหนึ่งที่นี่อัตมาจะสร้างจารีตให้พระมาร่วมกันลงฉันนะเป็นจารีตวันนึงเช้าก็มารวมกันฉันพระร้อยหนึ่งก็มาลงฉันสักสิวันนี้ก็สิบ พวน 10, งนี้ก็สิบบือนี้ก็สิบอีกเก้าสิบท่านไม่มาคนที่ไปสัมผัสมาทางนี้เขาจะติดหรือว่าเขาจะยกว่าอันนี้เป็นจารีตกันไหมเขาก็ไม่รับเฮ้ย น, นี่มันเรื่องเล่นไอ้เรื่องจริงมันไป น, นู่นน่ะเก้าสิบมันไปทำอะไรคนค้างคังอยู่นู่นอันนี้ก็ไม่ขลังหรืออันนี้ก็ไม่เกิดรูปไม่เกิดจารีตแต่ถ้าพระเก้าสิบมาอีกสิบนั่นเกเรหรือติดงานก็ตามใจมันก็เกิดได้พระก้าสิบตั้งมารวมทํากันถึงวาระเวลาก็มา แต่อีกสิบอาาระเป็นเออร์เรอว่าเป็นทศนิยมที่เหลือมันก็อาจจะไม่มาด้วยกิจนั้นกิจนี้หรืออาจจะเกเรก็ตามใจมันก็เกิดได้90ทําทำอีกสิบไม่มีน้ำหนักห0 50บหบยังเกิดอีกยากเลยนานเลย50าสถ้ากับเกเรหรือ ม, มีงานอื่นอีกห0สบมาก็นานช้า เนี่ยต่มาแบ่งแยกให้ฟังว่าสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันต้องเกิดด้วยความร่วมมือเกิดด้วยปัญญาเกิดด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราทําสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดเราเป็นพวกสร้างนะจารีประเพณีเราก็กําลังสร้างอย่างที่เราคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ถูกจารีอย่างนี้ดูดีดอย่างนี้จารีอย่างนี้ถูกเราก็พยายามสร้างการงานระกัสร้างการงานอย่างนี้เราไม่เอาอ่ะการงานนี้มันเป็นงานผลานสังคม งานนี้เราทำอะไรไปบอมเมากันงานนี้ไม่สิ่งเป็นสิ่งที่ควรสร้างเราไม่สร้างเราควรจะสร้างงานนี้งานนี้แหละเ ป, เป็นเป็นอุปสงค์เป็นสิ่งสําคัญที่สังคมต้องการอย่างขณะนี้อยู่สันติอโศกเนี่ยเราสร้างสื่อสารไปให้ธรรมะสื่อสารธรรมะไปให้ประชาชนมากที่สุดเราผลิตอื่นสินค้าอื่นเราก็ผลิตน้อยจะมีการงานเป็นเชิงค้าเชิงขายเชิงนั้นเชิงนี้เชิงทําอาหารอะไรบ้างก็ทําเป็นส่วนต่อต่อมา แต่หลักจริงๆของสันติอโศคนี้ทำอันนี้ส่วนปฐมประสค์นั้นจะสร้างการงานคือปัจจัยสี่หรือคนเกษตรเป็นคนเกษตรให้สําคัญที่สุดไม่ใช่ชาวอุตสาหกับอุตสาหกรรมจะเป็นรองและสร้างจริงๆด้วยให้สําเร็จถ้าทําขึ้นได้มันก็จะมีผสมผสานกันสันติอโศกกับปฐมประสงค์ใ น, นจ ทั้งนี้ก็เผยแผ่ให้ประชาชนตรงอันนั้นก็เลี้ยงกันอีกมาต่ออาตมาก็ไม่มีเวลาจะอธิบายรายละเอียดที่มันสัมพันธ์กันให้มากกว่านี้แล้วนะมันก็ได้ขนาดนี้ก่อนนะค่อยอธิบายกันในโอกาสหลังนะเพราะเมื่อเราเองเราเข้าใจการงานแล้วมนุษย์นี่ต้องมีการงานมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอั้นสำคัญนะเพราะฉะนั้นคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่เข้าใจไม่ค่อยตรงเนี่ยมันถึงได้เบี้ยวไปหมดตรงเนี้ย เพี้ยนกันไปหมดอาตมาก็ว่าพยายามอธิบายแล้วก็เออยังเห็นข้อบอกพร่องของตนเองอยู่เสมอเลยว่าเราอธิบายยังไม่สมบูรณ์เราอธิบายยังไม่ค่อยครบยังไม่ค่อยตรงพราะเราทึกได้เข้าใจอย่างนั้นอาตมาไม่โทษพวกคุณหรอกอาตมาโทษที่อาตมามันไม่ฉลาดพออาตมาไม่โทษพวกคุณว่าโง่พวกคุณก็ฉลาดเท่าที่คุณฉลาดกันอยู่แล้วแหะแต่อาตมานี่สิมันยั ง, งโง่อยูอ่มันยังไม่ฉลาดมากที่จะเอ๊ะทำไมเราเอาสิ่งนี้มาอธิบายเขาไม่ได้ อาตมาว่าอาตมารู้สิ่งนี้อยู่อย่างนี้แล้วทำไมเอาออกมาให้เขาฟังสื่อให้เขารู้สื่อให้เขารับทำไมมันรับไม่ครบทำไมมันรับอย่างเพียเพ้ยนๆด้วยซ้ามันก็ไม่เจริญว่าไปแล้วมันก็น่าสนม น, นาอาตมาออสอนเขาแค่ใหญ่ ง, งีนีนาะมันก็ได้อย่างนงี้ยสิมันก็จริงมันก็น่าสนม น, นาตัวเองอยู่เหน็ดเหนื่อยไปก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็จริงนะ เอาละอาตมาจะพยายามนี่ยพยายามอธิบายพยายามเสนอให้พยายามชี้แจงให้ลึกซึ้งเข้าใจให้ดีแล้วมันจะได้ดีด้วยกันทั้งคุณและสังคมหมู่กลุ่มนะมันได้ดีด้วยกันไปหมดล้วจะว่าได้ดีไปทั้งอาตมาเนี่ยเป็นผู้แนะนําสอนด้วยได้ดีทั้งตัวคุณเองได้ดีทั้งหมู่กลุ่มสังคมได้ดีทั้งผู้สอนอาตมาก็พลอยได้หน้าไปด้วยพอมีลูกศิษย์เนี่ยปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติเจริญนะอาตมาก็พลอยได้หน้าไปด้วยนะที่จริงก็ อาตมาก็พูดได้เก๋ๆกันเไม่ได้อยากได้หน้ารอกนะพูดเก๋นะไม่ได้อยากได้หน้ารอกแต่มันก็ต้องได้ด้วยแต่ถ้าสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่เจริญลูกศิษย์ไปปล่อยไก่ด้วยตอนนี้ก็ได้เหมือนกันหน้าหน้าเหี่ยวได้หน้าเหี่ยวเหี่ยวมันก็ได้เหมือนกันสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปเจริญลูกศิษย์ไปปล่อยไก่ลูกศิษย์ไปแสดงเสนออะไรแต่ใดออกมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวมันก็อย่างนั้นด้วย มันเป็นธรรมนัเป็นตัวตามธรรมมันเป็นสัจจกความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นนะก็ขอสรุปให้ฟังว่าเรื่องการงานนี้ยังจะมีเวลาจะพูดอีกอาตมาพูดไปนี้ก็คงได้รับฟังพอสมควรแล้วมันมันก็ยังไม่ครบเนี้ยอาตมาพูดนี้ยอาตมาว่ายังพูดไม่ครบมันยูรู้สึกว่ายังพูดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์เท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าพวกคุณที่ฟังฟังนี่จะเข้าใจไปแค่ไหนนะอาตมาแบ่งย่อยอๆเอกเป็นว่าการงานที่สร้าง ธรรมดาเนี่ยการงานจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูจะขุดเจอะก่อจะประกอบให้เกิดผลผลิตอะไรก็แล้วแต่คือการงานทั้งนั้นนะแต่การงานที่เป็นการสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การงานที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันเป็นปรมัตถธรรมอยู่ในองค์มรรตั้งแต่เริ่มต้นมีความเห็นความเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐินี่อาตมากำลังอธิบายนีย่คือทําทิฏฐิให้ตรงให้คุณฟังให้เห็นให้เข้าใจ เสร็จแล้วก็ไปเริ่มปฏิบัติด้วยสมาสติสมาวายามะมีความพยายามและมีสติไปปฏิบัติตามให้ดีเริ่มต้นปฏิบัติโดยลงมืออ่านตั้งแต่ดํมบลสังกปะตัวดํมบลเป็นประธานตกาวิตกาสังกปะไปตลอดเวลาและคุณก็จะใช้อัตโนมัติวิจีสังขารนั่นเป็นตัวที่จะกาหนดให้ออกมาคุณจะพูดอะไรต่อนี่มันไม่มีไม่วิจีสังขารรอไวลวคุณรู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรต่อใช่ไหม คำพูดมันยังไม่ได้ออกมาหรอกแ้่คุณรู้แล้วว่าเรื่องอะไรมันมีอะไรมันจะมีวจีสังขารตามเอามาก่อนเลยถ้าคุณจับมันได้มันก็จะคุณจะจับตัววัจจสังขารนั้นได้ชัดได้หยาบแม้แต่จะต้านไม่ให้วจีสังขารเกิดไม่ใช่ไม่ต้านวัจจิสังขารเกิดแล้วจะไม่ให้มันออกมาเป็นวัจจวรจจหรือไม่ให้ออกมาเป็นกายกรรมคุณก็ต้านมันไว้ได้นั่นเป็นความเร็วของจิตของคุณเราจะต้องประพฤตปฏิบัติตั้งแต่ดาริ ่ะมาเป็นกายวาจาแล้วมันออกมาจากดาริทั้งนั้นสังกป่าเนี่ต้องดําริเสมออย่าให้เกิดกามอย่าให้เกิดพยาบาทอย่าให้เกิดเบียดเบียนมิจฉาสามนี้มาเป็นต้นทางเพราะเราจะดําริอะไรก็แล้วแต่มันจะเร็วไวมันจะกันกรองเลยว่าไอ้นี้เป็นไปเพื่อกามมาบําเรอตนไม่เอาแต่ถ้าเป็นธรรมกามโมจงทำแต่สิ่งที่เป็นทำมาบาเรอตนว่าไม่ไปทำไม่ทำเป็นกามมาบําเรอตนไม่เอาเป็นพยาบาทไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เอา เบียดเบียนคนอื่นก็ยังไม่เอาเบียดเบียนตนก็ไม่เอาพูดว่ามันสั้นนะสามมิจฉานี่แต่ที่จริงมันเป็นครอบคลุมหมดเลยดํมริสามนี่ครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมหมดเล ย, ลมมเลยแจกแจงแล้วก็คือโลภโกรธหลงการก็คือโลภพยาบาทก็คือโกรธเบียดเบียนก็คือยาหลงผิดนะต้องให้ถูกในรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวล ที่จะเป็นสัจธรรมอันพอเหมาะจากดํารีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณควบคุมคุณปฏิบัติมรรคองแปดเป็นนั่นคือประโยชน์ตนในเรื่องของปรมัติ์เนี่ยจะมาอธิบายมรรคองแปดอย่างย่อแล้วนะเนี่ยได้ต้องเรียนมามีพื้นฐานคุณก็สร้างสมาสมาธิสร้างสมายานะสมาวิมุตไปเรื่อยๆเพราะคุณปฏิบัติมรรคองแ เพระประโยชน์ตนที่เป็นปรมนะัตต์นั่นคือมรรคองแปะเนี่ยปฏิบัติมรรคคืออะไรต้องพูดต้องทําการงานสมาสวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะมีชีวิตอยู่จะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชีวิตคือกายกรรมชีวิตคือมโนกรรมชีวิตคือวจีกรรมชีวิตคือกรรมสามกรรมใดจะเป็นกุศลกรรมใดจะเป็นอกุศลคุณจะต้องเรียนรู้ของตนของตนและทั้งของหมู่ด้วย คุณทำอย่างนี้คุณว่าเป็นของตนแต่หมู่มันพังละ่ะกายกรรมอย่างนี้หมู่มันพังละ่ะมันไม่ได้วาจยายงี้ว่าเป็นของตนได้ประโยชน์ตนแต่หมู่มันพังก็ไม่ได้อไม่ได้งี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ออกไปจากการงานจะว่าจะเป็นการงานสร้างสรรค์อะไรก็ตามหรือการงานที่เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมคือ การปฏิบัติธรรมและจะปฏิบัติประโยชน์ตนอยู่ในนั้นไม่แยกกันไม่แยกกันเพราะยิ่งแยกไม่ไปร่วมมือสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมกระเขา้าแยกไม่ไปทำงานกระหมูด้วยยิ่งเป็นการไรประโยชน์ตนไอประโยชน์เขาไม่ต้องพูดเลยประโยชน์ท่านไม่ต้องพูดเลยมันไรแล้วมันไม่มีประโยชน์ท่านนั่นแน่ๆอยู่แล้ว ประโยชน์ตนก็ไม่ได้เพราะตัวเองเห็นผิดเหมือนอย่างกับคำพูดคำหนึง่งเขาพูดก็จะติดปากผู้ที่ไม่ผิดอะไรคือผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยเขาว่าคุณว่ามันถูกต้องไหมผิดประโยคนี้ผิดผู้ที่ไม่ผิดไม่มีความผิดเลยคือผู้ไม่ทำอะไรเลยนั่นไม่ผิดตั้งแต่คุณผิดตั้งแต่คุณมีความผิดตั้งแต่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้ว การไม่ทําอะไรเลยเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นยังมีหน้ามาบอกว่าผู้ไม่มีความผิดคือผู้ไม่ทําอะไรเลยก็มันใหญ่เหลือเกินแล้วมันผิดตั้งใหญ่บารเรอเธอแล้วแต่คุณไม่ทำอะไรเลยก็คุณคือคนตายะที่ไม่มีกรรมอะไรเลยการกระทําทางกายก็ไม่มีวาจาก็ไม่มีมโนก็ไม่มีคุณก็คือคนตายดิคนตายเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์ทําอะไรถ้าคนไม่ตายต้องมีสิทธิ์ต้องทําอะไร อย่างน้อยคิดคิดก็ต้องคิดสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมประเทศชาติมนุษย์ชาติหรือเป็นประโยชน์ต่อตนตั้งเริ่มต้นตั้งแต่คิดเริ่มต้นบอกกันหรือต้อมต้นทำเริ่มต้นพูดกันเริ่มต้นทำต้องพูดต้องคิดต้องทําถึงเวลาควรพักก็พักไปแม้แต่เวลาพักถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็พักนอนนอนแล้วท่านก็ยังคิดเลย การงานทางมโนยังทํางานเลยพระพุทธเจา้าเนี่ยนอนสอนเทวดาก็คือคิดก็คือสร้างสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นไว้สอนเทวดาก็คือจะต้องทํางานที่จะต้องให้คนเจริญอยู่เรื่อยๆรื่เรียกว่าเทวดาเพราะงั้ก็สร้างสูตรสร้างอะไรของดีจะมีอะไรก็ว่ากันไปผู้กันอยู่ปุกาลาธิฐานก็จบแค่สอนเทวดาธรรมดิฐานก็อธิบายกันอีกยาวความก็คืออธิบายกันให้ฟังแล้ว พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เจ้าถ้าท่านจะพักผ่อนสงบสนิทก็พักไปพอสงบเพียงพอแล้วท่านก็จะงานการทางมนโนก็จะเกิดพอมีงานการทามโนปั๊บก็เดี๋ยวก็ออกมาทำทางวาจาทางกายแล้วเพราะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะว่าคนที่ไม่มีความผิดเลยนะั่นคือคนไม่ทำอะไรเลยนะั่นนะเป็นคำพูดที่ผิดมานานแล้ว คนที่ไม่ทำอะไรเลยนะ่คือคนที่ผิดแล้วหมหาศาลคือคนผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วสอน mmm. ให yeah. ้คนขี้เกียจได้เถ้าเห็นมาว่าคนที่ไม่ผิดอะไรเลยแล้วคือคนที่ไม่ทำอะไรเอาดีแล้วเราจะไม่มีความผิดเราจะทำอะไรเลยดีกว่านกรู้ตอนนี้ไม่ใช่หนูไม่รู้แล้วหนูรู้แล้วชี้พงให้กรอกหนูก็ไม่ทาอะไรเลยเพราะถ้าหนูไม่ทำอะไรเลยหนูก็ไม่มีความผิดหนูก็หาทางไม่ทำอะไรเลยเอา เราก็เสื่อมตายที่สังคมไหนก็บรรลัยหมดเลยที่กันหนูเล่นไม่ทําอะไรเลยเพราะหนูกลัวผิดถ้าหนูไปทําอะไรมันจะผิดถ้าหนูทําอะไรมากก็ผิดมากกันหนูไม่ทําอะไรมากกันหนูไม่ทําอะไรเลยแต่หนูยังไม่ผิดเลยเห็นไหมว่าเนี่ยนึกซึ่งนะฟังให้ดีนะเนี่ยสอนกันมาแนะนํากันมาพูดกันมานานเนยแล้วอาตมาก็ดูเหมือนจะเคยหลงๆพูดไปกับเขาบ้างเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าพุ่ม ไม่มีความผิดคือผู้ไม่ทําอะไรเลยนี่ก็ดู้เมื่อจะพูดพูดกันกับเขาเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้เงยเคยโง่กับเขามาแล้วตอนนี้เรารู้ตัวแล้วเรารู้ทันแล้วเรารู้ชัดแล้วว่าโอ้อันนี้มันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์มันยังเป็นความผิดอยู่เป็นความรู้ที่ยังผิดผิดอยู่แท้ๆไม่ใช่ความรู้จรงิงหรอกอันเนี้ยจงเข้าใจให้ชัดนะผู้ที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความผิดมหาศาลอยู่แล้วในขณะที่ควรจะทําอะไรก่อน รู้ควรจะทําอะไรอยู่บัดนี้เวลากําลังล่วงไปล่วงไปนะกายกรรมวริจิกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกบัดนี้เวลาล่วงไปล่วงไปเธอกําลังทําอะไรอยู่อยู่เฉยเฉยเลอกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะต้องทำนะอาราโ ก, กคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าคนเราเกิดมาเนี่อัตมาสรุปมาตั้งแต่ต้นไนไหนเราเกิดมาทําไม เกิดมาทำงานเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายมันยังไม่ตายทำอะไรทำงานเพราะฉะนั้นเราไม่พักเราไม่เพียรเกิดมาก็ไม่พักก็คือทำมันเรื่อยไปเราไม่เพียรก็คือบอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่ามือสมควรจะพักเราก็พักสมควรจะพักเราก็พักไม่สมควรจะพักเราก็เพียรเรื่อยไป นี่มันกลืนกันมันสองมันกลมกลืนกันหมดนะนี่มันไม่คานแย่งกันเลยสักอย่างให้มาอาตมาอธิบายถ้าเราเข้าใจไม่ทั่วมันจะคานแย่งกันเอาแต่พักพักหรือว่าเอาแต่หนีเอาแต่ไม่ทํางานเอาแต่หลีกเอาแต่หลแล้วก็เข้าใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผิดผิดด้วยไปใหญ่เลยเข้าใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผิดด้วยไปใหญ่แล้วถ้าผมว่าเราเข้าใจถูกอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยแม้มันจะเจริญขึ้นอาตมาคิดว่าวันนี้ได้พูดออกไปแล้วนี่ก็คงได้ฟังกันบ้างแล้ว ผู้ที่ฟังนะผู้ที่ไม่ฟังนั่นก็ไม่ฟังและต่อสายไปให้ถึงไหนไหนบางทีสายลําโพงมาอยู่กองหูนี่ก็ยังไม่ฟังเลยนะก็ไม่ฟังและแต่ทําไงได้มันก็ไม่ฟังนี่นะพูดไปก็พูดไปนะเป่าควายใส่หูปีนะมันก็อย่างนั้นนะ <c oughs> อา้าวจริงถ้าเป่าปีใส่หูควายเนะี่ยมันจะคันๆมึงนนะั่งไอ้เป่าปีใส่หูไอ้เป่าควายใส่หูปีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เพราะปีมันไม่รู้เรื่องเนะีเป่าควายนี่นะมันก็ไม่รู้จะไปเป่าตรงไหน <c oughs> ไปเป่าให้มันดังยังไงปีไม่รู้เรื่องหรอกเพราะปีไม่มีชีวิตเนะีเป่าควายใส่หูปีนี่ไม่รู้เรื่องเลยหนักก็เป่าปีใส่หูควายเหมือนก็เข็นเขาขึ้นครกอะ่ะมันแย่ก็เข็นครกขึ้นเขาไอ้เข็นครกขึ้นเขาเนี่ยมันยังกระดุกกระดิกบ้างนะยังไงยังไงว่าเอามันจน ก, กระดิกกันได้แต่เข็นเขาขึ้นครกนี่ไม่ เค้นเขาก็ไปกระดิกแล้วแล้วยังจะไปมีโคกมาคานเอาไว้อีกแม้คกจะเล็กแค่ไหนมันก็ต้องปีนอีกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนรถในมันจะปีนเนี่ยไอ้มีไ อ, อ, อ้ลองรอไว้นิดเดียวนท่านมันก็ปีนไม่ไหวนะถ้าผมเอาไปแตะไว้ชิดๆนี่นะนิดเดียวเนี่ยมันกิ้งไม่ได้แล้วรออ่าเอาละเราก็ได้ขยายความอะไรแต่ใดมาให้ฟังพอสมควรนะว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ย จะ ต, ต้องเข้าใจให้ได้ว่ามีชีวิตชีวิตคือการงานชีวิตคือการงานกายกรรมวิจกรรมมโนกรรมรวมแล้วกรรมสามนี้คือชีวิตและเราต้องทําชีวิตให้ดีก็คือทํากรรมสามให้ดีทํากรรมสามให้เป็นกุศลละกรรมที่เป็นอกุศลหรือทุจริตให้ได้สนิทไม่ต้องทําเลยทําแต่กุศลอย่างเดียวพร้อมกันนั้นเราก็จะรู้จิตบริสุทธิ์อยู่ในนั้น ที่เราละอัตสาหะของกิเลสอัตรสนิยมหรือรสอร่อยของโลกเมื่อล้างหมดแล้วเราก็มีแต่ความปรารถนาดีจะรู้ว่าเรามีวิภวตัณหาหรือเรามีฉันทะมีกามฉันทะเป็นความใคร่นะความใคร่อยากที่ดีในะกามฉันทะเนี่ยเขาบอกว่าฉันทะในกามมีดีในกามนะแต่ที่จริงถ้าเป็นกามธรรมกาโมธรรมกามเป็นธรรมกามฉันท ะ, ะว่ากันให้เต็มรูปเลย มันไม่ผิดหรอกเป็นธรรมกรรมชัทนพระท่านเรียกตันหาเป็นความอยากท่านเรียกฉันท่าเป็นความอยากแต่ชั้นท่านะั่นทั้งเดียวว่าเป็นความอยากชั้นดีแต่ตันหาเป็นความอยากชั้นเลวท่านแบง่งกันนะก็ทรลองไม่มีปัญหาอะไรนะเอาละในเรื่องววหารภาษา ม, มันยังมีอีกเยอะนะเอาละก็พอนะอาตมาคิดว่าได้บรรยายอะไรหมดเวลาแล้วก็จบ